ขอโอกาสครับนเตรียมตัวเก็บกล้งองปิดเสียงโทรศัพท์น ะ, อะพอแล้วนะพอแล้วไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่หรอกหลวงพ่อก็ อ, อ, อนุโลมตามโลกโลกยุคนี้หลงรูปทิดหลงกรมมันมากนักนะนี่เสียเวลาของแม่จีรังยั่งยืนไลน แต่รูปภายนอกเลยรูปภายในตัวเราเองจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้อยู่มานานๆแบบหลวงพ่อก็ย้อนไปดูนี่คนที่รู้จักตายไปเยอะแยะแล้วบางคนอายุน้อยนิดเดียวก็ตายแล้วคนเราตายง่ายทีไม่ได้เป็นอะไรไปตรวจร่างกายประจำปีตรวจไปตรวจมานะ ตรวจหาโรคโน้นโรคนี้ไปเลยได้เจอจนได้รักษาไปรักษามาหรือบางคนไปผ่าตัดนิดหน่อยเกิดแพ้ยาแพ้อะไรตายก็มีชีวิตนเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนเมื่อย่าไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเราต้องรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในชีวิตเรา อะไรที่ทำแล้วจิตใจของเราจเจริญขึ้นนั้นถึงจะมีสาระถ้าทำแล้วจิตใจเสื่อมลงไปไม่มีสาระไม่มีประโยชน์จริงแต่การทำมาหากินอยู่ในโลกจำเป็นมีหน้าที่ทำงานทำมาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลู ก, กเลี้ยงไปไม่ขี้เกียจชาวพุทธไม่ขี้เกียจหรอกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่ เออ่าก็อ้างว่าฉันปล่อยวางมีลูกก็ปล่อยวางอย่างงีนะ้มีภรรยาภรรยาแก่ปุ๊บเราปล่อยวางเลยอย่างนั้นไม่รับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบทำมาหากินไปตั้งอกตั้งใจแต่เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นงานหลักในชีวิตเราการทำมาหากินหาอยู่หากินดูแลครอบครัวดูแลตัวเองอะไรพวกนี้เป็นงานชั่วครั้งชั่วคราว เพราะอะไรตัวเราเองก็ของชั่วคราวครอบครัวเราก็ของชั่วคราวสามีพัญญาเราก็ของชั่วคราวลูกเราก็ของชั่วคราวตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าไปหลงกับมันเราทุ่มเทเวลาให้กับมันสุดท้ายมันหักหลังเรามัานกหนีเราไปจนได้อย่างร่างกายเราเราหลงไหลได้ปลื้มกับมันมาก กลับลิมืมหลงกับร่างกายทําน้มบรุงให้สวยให้งามทุ่มเททรัพย์สินเงินทองทุ่มเทเวลาดูแลตั้งมากมายสุดท้ายมันก็หักหลังมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายให้ดูทรัพย์สมบัติหามาแทบตายสุดท้ายมันก็สูญเสียไปคนที่เรารักพ่อแม่เราเยคนไหนพ่อแม่ตายไปแล้วมีไหม ตายสองคนมีไหมสองคนเลยตายหนึ่งคนมีไหมยังไม่ตายสักคนผู้ที่ไม่ยกมือไม่มีพ่อมีแม่ไห <c oughs> ใครลูกตายบ้ามีไหมในห้องนี้ที่ลูกตายลูกตายเนี้ยทุกที่สุดเลยตามสถิติพ่อแม่ตายน่ะไม่ทุกข์มากอ่ะบางคนพ่อแม่ตายดีใจซีก ลูกตายเนี่ยทุกมากเพราะไม่เคยคิดเลยว่าลูกจะตายแต่พ่อแม่ตายก่อนเราเรารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องดูนะว่าทุกอย่างที่เราเห็นว่าสำคัญสาคัญเนี่ยเอาเข้าจริงถึงจุดหนึ่งไม่สำคัญเท่าไหร่พวกเราเคยไปตามโรงพยาบาลไปเห็นคนตัดแขนตัดขาอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นหขา ด, ด้วนแขนด้วนไม่สบายรักร้างกายมากนะ แต่พอเจ็บป่วยเข้าจริงๆก็ยอมตัดแขนตัดขาตัดโน้นตัดนี่ไม่ยอมรักษาชีวิตไว้ในชีวิตรักษายังไงเหนื่อยยากแค่ไหนสุดท้ายก็รักษาไม่ได้งั้งเราต้องม า, อาหาสิ่งซึ่งไม่มีคุณค่าแล้วก็ถาวนมากกว่าสมบัติทางโลกโลกไม่ใช่หลงอยู่แต่ในร่างกายของเราหลงแต่ใน ชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองครอบครัวญาติมิตรสิ่งเหล่านั้นไม่มีสาระจริงแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยอยู่กับโลกเท่านั้นเองเราอยู่กับโลกเราก็ต้องมีเงินใช้มีบ้านอยู่มีงานทําเป็นของชั่วคราวเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวคุณงามความดีในใจเราแล้วเป็นเครื่องอาศัยที่แท้จริงเราต้องตั้งใจไว้ให้ได้เลยว่าชีวิตเราแต่ละปีแต่ละปีต้องดีขึ้น สีลธรรมในใจเราต้องดีขึ้นพยายามมาฝึกจิตฝึกใจถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจของตัวเองเราก็มีชีวิตธรรมดาธรรมดาเหมือนที่ชาวโลกก็เป็นที่น า, านาอนาจก็คือมันก็เหมือนที่สัตว์เดรัจฉานเป็นนะนะั่นแหละหาอยู่หากินไปนะมีครอบครัวมีผัวมีเมียอะไรเนงะี้หมามันก็ทำเป็นมีลูกมันก็ทำเป็น ดังเราเป็นมนุษย์ทั้งทีนะต้องหาของดีให้ตัวเองให้ได้พยายามพัฒนาใจของเราชจนกระทั่งวันหนึ่งเรามีใจของเรานี้เป็นที่พึ่งเคยได้ยินว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์ของเราเองเองถ้าเมื่อไหรเราภาวนาจนใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ใจเราก็เป็นพระสงฆ์แท้ ใจเราก็คลองธรรมะอยู่ใจเราก็เป็นพุท ธ, ธะเราต้องมาพัฒนาใจของเราขึ้นมาเป็นพุท ธ, ธะตัวจริงเนมะใจนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเรามีสติตอนแรกๆเรายังต้องรักษาใจตอนที่เรายังรักษาใจนี้ใจยังไม่เป็นที่พึ่งจริงแต่ถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องรักษา จิตนะที่ภาวนามาเต็มที่เต็มภูมิแล้วนะ่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้เลยอย่าว่าแต่ความชั่วจะปรุงแต่งความดียังปรุงไม่ได้เลยไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรสักอย่างนะเป็นอิสระในตัวของตัวเองมีความสุขอันมหาศาลถ้าใจเราเข้ามาถึงสภาวะอันนี้แล้วเนะี่ยเราไม่ทุกทางใจอีกต่อไปแล้วมันเหมือนเรามีที่พึ่งนะร่างกายมันจะแก่ร่างกายมันจะเจ็บร่างกายมันจะตายใจก็ไม่หวั่นไหว คนที่เรารักตายไปนะคนที่เราเกลียดมาอยู่กับเราอนะไรใจมันก็ไม่หวั่นไหวพยายามมาพัฒนาใจนะใจใจดวงวิเศษดวงนี้สมงมติชาตินี้เราภาวนาไม่จบมันก็เก็บเอาคุณงามความดีนะข้ามพบข้ามชาติไปชาติหน้าจะภาวนาง่ายพวกเราเคยเห็นไหมบางคนเขาภาวนาง่ายบางคนภาวนายากไม่มีของฟรีนะ ที่เขาทำง่ายเพราะเขาก็เคยยากมาแล้วเขาทุ่มเทมาแล้วมีพระ อ, องค์หนึ่งนะชื่อพาหิยะพาหิยะจริงๆไม่ได้บวชนะแกเป็นพ่อค้าเรือแตกว่ายน้ำขึ้นฝั่งไปเสื้อผ้าไม่มีเลยติดตัวแขกมันนุ่งผ้าเอาผ้ามาพันๆนนะเวลาลงน้ำถอดทิ้งหมดนะเป็นชีเปลือยชาวบ้านเห็นนี่พระอรหันต์เป็นพระอรหรันต์ จนวันหนึ่งนะเทวดาเป็นพรหมมันเคยภาวนามาด้วยกันเราเตืนอนอกไม่ใช่นะยังไม่ได้เป็นตอนนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านก็ไม่ดือ้อรีบเดินมาตั้งหลายวันจากที่ที่อยู่ น, ะนิมทะเลเดินมาหาพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่กี่ประโยคบรรลพระอรหันต์ขอบวช แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่มีบาทไม่มีจีวรบวชไม่ได้ให้ไปหาบาทกับจีวรกันไปเจอพระเจ้าในตลาดในในเมืองพระเจ้ากําลังบินทบาทไปขอฟังเทศท่านก็สอนในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นศัก์ว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นศักว่าฟังเมือ่อทราบจักเป็นศักดิ์ว่อทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีไม่มีในอดีตในปัจจุบันในอนาคตที่สุดเห็นทุกฟังแค่นี้เป็นพระอรหันตนะ พอแยกจากพระพุทธเจ้าไปไม่เท่าไหร่เลยถูกวัวบ้าปิตตายในวันนั้นไม่ได้บวชพวกพระเก็มาถามพระุทธเจ้าอระยะเนะี่ยไม่ได้บวชแต่พระองค์ว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจัดว่าเป็นภิกษุไหมไม่บอกเป็นดังน้นภิกษุตัวจริงเนี่ยไม่ต้องคลองผ้าเหลืองหรอกนะอิยะยังไม่มีผ้านุ่งเลยเพใจเขาเป็น คนก็สงสัยทําไมพระพายะบรรลุเร็วหรือเกินฟังไม่กี่ประโยคก็บรรลุแล้วพวกเราฟังตั้งนานไม่เห็นบนรรลุเลยเราไม่ใช่พระพายะท่านสร้างบารมีมานานทั้งแสนกับแสนกับโลกแตกไปท่ า, านจักรวาลแตกไปท่านแสนครั้งสร้างบารมีนานชาติก่อนที่มาถึงเป็นภายะเนี่ยเกิดสมัย ปลายศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระกัสสปะเกิดในยุคที่ศาสนาเสื่อมเต็มที่แนละ้วหันไปทางไหนมีแต่พระอรัชีอรัชีแปลว่าไม่มีอย่างไอายพระไม่มีอย่างไอาได้พระอารัชีท่านก็ชวนกับเพื่อนกลุ่มนั้นะไปพาวนากันดีกว่าหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางมีแต่ไม่มีใครปฏิบัติแล้วเราไปปฏิบัติกันเองขึ้นภูเขาไป ทำบันไดแต่ภูเขาชันๆเึ้นไปเราขึ้นไปถึงทีบบันไดทิ้งเลยตั้งใจทอนานะถ้าไม่บรรลุมากคนก็ขอตายเพื่อนบนรรลุกั น, เ ป, น, นเป็นพระอรหัานต์บ้างเป็นพระอนาคามบ้างองค์ท่านเนี่ยไม่บรรลุอะไรเลยท่านตายอดตายอยู่บนเขานะเห็นไหมเขาพากเพียนมาหนักหนาสาหัสนะก่อนที่เขาจะเร็วที่สุดเขาคือคนที่ช้าที่สุด เขาอดทนมากเรียกเขาไม่ได้ต้งเรีกท่านนะท่านอดทนมากยอมสละชีวิตเลยเพื่อเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วทาให้สําเร็จความทําให้สําเร็จเนะี่ยคุณงามความดีนี่มันสะสมมาในใจความดีอะไรมันรุนแรงขนาดนั้นความดีที่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะตัวเนี้มันเป็นบารมีชั้นสูงที่พวกเราพอวนากันนาสะสมคุณงามความดีนะสร้างบุญสร้างบารมีเคยได้ยินบารมีไหม บารมีนะั้นมันเป็นความเป็นพลังของจิตนะบารมีมีสิบตัวแต่ถ้าไปดูแต่ละตัวแต่ละตัวมันคือกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะอย่างพระเวสสันดรมําทาทานนับบารมีตั้งใจไวเลยใครมาขอชีวิตตัวเองก็ให้เนี่ยกล้าสละชีวิตหรือพระไปมี แกลงทําบ้าทำใบ้ทําให้พูดนะถูกเขาแกล้งถูกเขาทรมานแค่ไหนก็ยอมเพื่อจะได้ออกบวชเป็นเนกขัมมะบารมีพระภูริทัศน์เป็นพญานาคนะถูกหมองูจับเอาไปเล่นกลนะก็ยอมนะความจริงสัตดสักทีเดียวก็ตายนะแต่ไม่ยอมไม่ทําร้ายเขาก็าสร้างศีลบารมียอมตายตัวเองก็ยอมตายอนะไรเงี้ยในบารมีทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันแก่กล้านะมันจะมาถึงจุดที่ยอมสละชีวิตเพื่อธรรมะ ถ้าใจมันยอมสละชีวิตเพื่อธรรมะนะมันไม่หวงอะไรไม่หวงกายไม่หวงใจตัวเองแล้วนะงั้นบรรลุง่ายแล้บารมีเต็มสกิรนิดเดียวก็วบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วแต่พวกเรายังไม่เต็มเราก็ต้องสร้างเอานะบารมีมีตั้งเยอะตั้งแยะนะเยอะแยะตั้งสิบตัวไปหานั่งซื้ออ่านเอาแต่ตัวที่หลวงพ่อแนะนําตัวง่ายๆตัเนี้ยรักษาสี่ห้า พวกเราสละศีลห้าเพื่อผลประโยชน์สละศีลห้าเพื่อชีวิตนีก็ยังอินทียอ่อนปรมีอ่อนตั้งใจให้เข้มงวดไม่ยอมผิดศีลตั้งใจที่แรกลําบากนิดหนึ่งเป็นคราวาสเนี่ยถือศีลให้สะอาดเนี่ยถือยากมากเลยเพชีวิตคราวาสมันไม่สะอาดเป็นวิถีชีวิตที่ยังไม่สะอาดจริงการจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเป็นเรื่องลําบาก อยหลวงพ่อตัดเป็นโยมนะกุ้มใจมากเลยเรารักษาศีลเวลาไปไหนมาไหนนะรับราชการนะเป็นข้าราชการผู้น้อยสี 4, ่สามนั่งโตะเดียวกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินเหล้าเรียกเรากินด้วยเราบอกเราไม่กินหรอกถ้าเราบอกไม่กินผมถือศีลเนี้ยเขาจะเกลียดที่หน้าเราเลยนะถือศีลต้องมีชั้นเชิงไม่ได้หรอกครับกินแล้วมึนก็ใช mm ่อ่ะสิกินเหล้าก็มึนทุกคนเนี่ะ กินแล้วมึนไหวๆเวียนหัวปวดหัวนไม่สบายทําไม่สบายเลยแรกจะกินก็ไม่สบายใจแล้วไม่ได้โกหกคํำนะไม่กินไม่กินสุดท้ายไม่ต้องกินเขาก็รู้ว่าคนนี้มันกินเหล้าไม่ได้เขาคิดเอาเองนะว่ามันกินเหล้าล้าคงแพ้เราไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงเลยนะกินแล้วมึนไม่ได้หรอกก็มึนหน่อสิกินเหล้าต่อมาพอเราซีใหญ่ขึ้นใครมานั่งกับเราเนี่ยไม่กล้ากินเหล้า ดูศีลง่ายขึ้นนะเพราะอะไรบา ร, รมีเราแรงขึ้นเพราะเรารักษาศีลของเราเสมอต้นเสมอปลายหรือศีลโกหกเนี้ยหัวหน้าสั่งพี่จะรีบทํางานนะถ้าใครโทรมาให้บอกว่าพี่ไปไประชุมพี่ไม่อยู่สั่งเราอย่างเนี้ยตายละว่าล้วก็อธิษฐานเจ้าประคุณอย่ามีใครโทรมาหาไอ้ใหญ่คนนี้เลยนะอธิษฐานจบก็กลิ้งมาเลย ถามหัวหน้าเราอยู่ไหมเออเราจะทำไงวะแล้วก็พูดเบาๆหัวหน้าสั่งว่าไปไประชุมครับโอ้โหรักษาศีลยากนะรักษายากนะมันดังพร้อยไหมดังพร้อยใจเราเร้าหมองหน่อยๆแต่เรารู้เลยเราไม่ได้เจตนาที่จะโกหกนี่แรกๆ ก, ก็รทาความดีก็ทายากหน่อย แต่พอทําไปนานๆนะมันง่ายมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะใจเราคุ้นเคยคนอื่นเขาก็ยอมรับงั้นเราก็ตัง้งอกตั้งใจบารมีตัวแรกที่เราควรทำก็คือเรื่องศีนี่แหละง่ายดีไม่ต้องเสียสตังถ้าทําทานะบารมีบางทีต้องเสียสตังแต่ความจรงิงการทําทานนไม่เสียสตังก็มีอย่างเรามีความรู้เนี่ยเรามีความรู้คนเข้าต้องการข้อมูลต้องการความรู้ เราให้ความรู้กับเขาก็เป็นทานนบารมีเหมือนกันคนมาทำให้เราโกรธนะเราอาภัยให้ก็เป็นทานนบารมีเป็นอภัยทานเป็นทานที่สูงกว่าวัตถุทานเอาของเอาเงินไปให้อีกนะทานอย่างนั้นเพราะว่าต้องสู้กับกิเลสของตัวเองอย่างแรงเลยเคยโกรธใครแรงๆไหมโกรธใครมากๆเนี่ยจะอภัยให้เขาเนี่ยยากไหม อ, อ็พักกระเป๋าใจให้คนสักร้อยหนึ่ง ไม่ยากเท่าอะถ้าเรามีหลายร้อยแต่อภัยเนี่ยยากอะไรที่ทํายากนั่นแหละบารมีแรงมันบารมีแรงมันต้องสู้กับตัวเองงั้นพวกเราตัอ้งออกตั้งใจนะทานทําไปแต่ว่าไม่ใช่ต้องไปควักกระเป๋าใจทําได้ตั้งหลายอย่างอาภัยให้คนให้ได้ก็แล้วกันมีศีลตั้งใจรักษาศีลห้าไม่ต้องศีล8 ศีลห้าก็บรรลุมากผลได้แล้วะศีลแปดไม่แน่ว่าจะบรรลุถ้าถือไปแล้วรก็กูเก่งกูเก่งกูเหนือว่าคนอื่นคนอื่นไม่มีศีลเลยกูดีอย่างเดียวเลยพวกนี้ไม่บรรลุหรอกเพราะกิเลสมันท่วมหัวถือศีลแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าก็เราเคยเห็นไหมพวกถือศีลแล้วกิเลสรุนแรงเคยเจอไหมเนี่ยพวกไม่ถือศีลจะว่าพวกถือศีลแบบเนี้ยคือเราไม่ได้ถือศีลแล้วก็แบบมันแกล้งถือเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยะ หรือพวกที่บอกว่าใส่บาตรนะ่นะใส่บาตนระพระไม่ได้ฉันข้าวเฉพาะวันพระทําไมใส่แต่วันพระไอ้คนที่พูดอย่างเนี้ยไม่เคยใส่สักวันวันพระก็ไม่ใส่วันอื่นก็ไม่ใส่ว่าคนอื่นง่ายนะเรามาฝึกตัวเองมาฝึกตัวเองอะไรที่เป็นไปเพื่อให้กิเลสเฟื่องฟูนะเราไม่เอาอะไรที่จะทําให้กุศลของเราศีล ส, สมาธิปัญญาของเราดีขึ้นดีขึ้นก็เอาวันนั้นแหละ สำรวจตัวเองสำรวจใจพวกเรารู้ไหมว่าอะไรที่ทำแล้วกิเลส จ, จะแรงขึ้นรู้ไหมรู้ไหมว่าทําความดีงามอะไรแล้วกุศลจะเจริญมีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้ทั้งนั้นแหละแต่จะทําหรือไม่ทําเท่านั้นแหละน้าตั้งใจทําก็ทําได้หน้าตาบ้องแบ้วแต่ละคนดูไม่โง้เลยนะดูหน้าตาก็มีบุญบารมีนีเกรงโชว์ใหญ่เลยของคน นี่เผื่อจะบารมีมาก <laughs> ทุกวันนะตื่นนอนตั้งใจไปเราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลหก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกเผื่อเป็นโรคไหล่ตายไม่ได้ฟื้นมาหลับไปแล้วหลับเลย เราจะได้โยมาบาลมาถามเรามีความดีอะไรบ้างมีศีลห้ายามาบาลเชิญไปได้เลยนะมีศีลเนี่ยนรกไม่ต้องการถ้ามีแค่มีศีลห้านะนรกไม่เอาละเพราะนั้นตั้งออกตั้งใจรักษาไวปนอกจากจะมีศีลธรรมดาด้วยการตั้งใจรักษาแล้วต่อไปเราพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้นไปมาพัฒนาศีลให้ดีขึ้นอีกโดยสร้างศีลอัตโนมัติให้ได้ ศีลที่เราต้องตั้งใจรักษาเป็นข้อๆนี้เอินศีลลำบากต้องข่มใจตัวเองมากยังสู้กับกิเลสรุนแรงถ้าเราสามารถพัฒนาเครื่องมือตัวหนึ่งขึ้นมาได้นะี่ว่าสติถ้าเมื่อไหร่เราสามารถพัฒนาสติขึ้นมาได้นะศีลมันจะมาเองสมาธิมันจะมาเองปัญญาเนี่ยเกิดง่ายงั้นจะมีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ตัวแรกเลยที่ต้องมีคือสติ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆแม่นที่พุทธเจ้าสอนเจริญสติปัฏฐานเห็นกายในกายเนืองเนืองเห็นเวทนารือความสุขทุกข์เนืองเนืองเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลเนืองเนือง ถ้าให้เห็นเนืองๆไม่ใช่นานๆเห็นทีเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วจิตมันจำสภาวะแม่นแล้วจิตมันจำสภาวะแม่นแล้วเนี่ยพอสภาวะเกิดขึ้นจิตจ ะ, ะระลึกได้เองสติจะเกิดเองเลยว่าอ้าวโลภไปแล้วอาโกรธไปแล้วหลงไปแล้วหรือหายใจออกหายใจเข้าอยู่นะเนี่ยสติจ ะ, ะระลึกได้เองโดยที่ไม่เจตนาระลึกอย่างคนไหนชี้โมโหนะเราก็คอยรู้ทันสภาวะของความโกรธ เราก็เห็นเดี๋ยวก็จิตก็หงุดหงิดเดี๋ยวจิตก็หงุดหงิดวันหนึ่งหงุดหงิดได้ห้าร้อยกหกร้อยครั้งตามมองเห็นเห็นหน้าคนนี้ก็หงุดหงิดนะหันไปเห็นอีกคนหนึ่งหันไปเห็นคนแรกหน้าตามันน่าเกลียดเห็นแล้วหงุดหงิดหันไปอีกทางหนึ่งคนนี้หลอกเราหงุดหงิดอีกแล้วอิจฉามันลงมาแล้วเห็นหมามาก็หงุดหงิดทําไมหมามาเพ่นพ่านหมาตัวนี้น่าเกลียดเห็นหมาสกปรกก็น่าเกลียดหงุดหงิดอีกเห็นหมาสวยวิ่งมา ใกล้ๆเรา้เจ้าของมันเลวอย่างปล่อยม้ามาอยู่ข้างถนนมุนีดิบเงินเงินยินดีทุกเรื่องอ่ะบางคนนะไม่ว่ามันกระทบอะไรมันก็หงุดหงิดลำคาญเนี่ยเราทํากรรมฐานแล้วคอยรู้ทันใจใจหงุดหงิดขึ้นมาใจมันโกรธขึ้นมาใจไม่สบายใจขึ้นมารู้ทันรู้ทันไปเรื่อยต่อไปสติจะเกิดเองจิตมันจําสภาวะที่หงุดหงิดลาคาญใจได้ พอความหงุดหงิดรำคาญใจเกิดขึ้นสติเราลึกเองเลยว่ากําลังหงุดหงิดอยู่มันหงุดหงิดแล้วมันหงุดหงิดขึ้นมาแล้วจะรู้สึกอย่างนี้ ท, นทันทีที่เรารู้ทันกิเลสทันทีที่รู้ทันกิเลสคือทันทีที่เกิดสติเมื่อนั้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องดับกิเลสหรอกอย่างบางคนนะมาถามหลวงพ่อผมนั่งสมาธิมาตั้งนานยังไม่หายฟุ้งซ่านนั่งไม่เป็ น, นสิ เรานั่งมีสติสิเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ต่อไปสติเกิดแล้วพอหงดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมาพอใจฟุ้งซ่านปุ๊บสติระลึกรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านขาดสะบั้นเลยเพราะกิเลสกับสตินะไม่เกิดด้วยกันเมื่อไหรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่คือกฎของธรรมะนะงั้นเราไม่ต้องไปฝึกสู้กิเลสหรอกเสียเวลา เรามาฝึกให้เรามีสติให้มากขึ้นมากขึ้นอ่ะกิเลสเนี่ยตัวบั่นทอนตัวทำลายความสงบสูงในจิตใจของเราคือศัตรูที่แท้จริงของเราเลยเมื่อเรามาพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยจิตใจให้มันพ้นจากกิเลสคือสติหัดรู้สภาวะบ่อยๆบยางคนน่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ยืนรู้สึกตัวเนี่ยยืนก็รู้ว่ากำลังยืนนั่งก็รู้ว่านั่งเนี่ย ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอย่างนี้ก็ได้หรือเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกออะลองทุกคนลองยิ้มซิยิ้มรู้ตัวไหมว่ายิ้มอยู่เนี่ยรู้ตัวไหมว่าพยักหน้าเนี่ยแค่นี้เองหัดรู้สึกอย่างนี้ยิ้มหวานยิ้มเราเห็นตัวนี้ยิ้มไม่ต้องไปดูคนอื่นยิ้มนะเราเห็นตัวเองยิ้มเราหลวงพ่อถามว่าเห็นไมว่าร่างกายมันยิ้มอยู่ เนี we ่ยก็เห็นในตัวเนี in ้มันพยักหน้าะเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกอันนี้เขาเรียกว่าอิทิยาบทย่อยหรสัมพัชัญญาบัพพาในสติปัฏฐานอย่างนี้ก็รู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกไอตัวนี้มันเอียงไปเอียงมาใจเราเป็นคนดูสบายๆเนี่ยฝึกอย่างนี้ถ้าดูจิตไม่เป็นฤดูกายเห็นร่างกายก็ยุกยิ้กเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหน้าบึ้ง เราทําหน้าบึ้งสิทําหน้าบึง้งเหมือนโกรธใครมากๆลองดูสิลองทําหน้าแค็งสิขับแค็งซ้อมดีๆนะเผื่อมีแมวมองเขาจ้างไปเล่นหนังบอกให้ขับแค็งแล้วหัวเราะเนี่ยสอบตกเลยนะ <c oughs> แค็งไว้เป็นเนี่ยเราเห็นร่างกายรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มร่างกายมันหายใจรู้สึกไหมร่างกายมันหายใจนี่รู้สบายๆนะ รู้ไปอย่างเนี้ยถ้าจะเริ่มจากการรู้กายดูกลยสบายๆใจเป็นคนดูสบายๆ ส, สุดท้ายนะสติจะเกิดเองเวลาเราโกรธขึ้นมาลืมเนื้อลืมตัวนะเราหันกลับไปจะไปชกเขาเนี้ยเงื้อมือขึ้นมาหรือจะตกเขาขยับมืออย่างเงี้ยเราเคยรู้สึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยรู้สึกพอเงื้อมือปุ๊บเนี่ยนะสติจะเกิดเองเลยรับรองว่ารับรองว่าไม่โกรธแต่จะตกหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ เพราะว่าไอ้จิตดวงแรกมันสั่งให้ร่างกายตบไปแล้วนะไอ้ดวงใหม่มันอาจจะสั่งไปไม่ทันมันตบไปซะก่อนนะแต่ว่าความโกรธเนี่ยจะไม่มีจะตบด้วยจิตที่สงบนะแต่ร่างกายมันตบไปแล้วเนะืนะ้อนะหัดมารู้สึกนะอัรู้สึกในร่างกายก็ได้หรือรู้สึกในความสุขความทุกข์ก็ได้รู้จักความสุขไหมขณะนี้ใครมีความสุขยกมือสิ ขณะนี้ใครมีความทุกข์ขณะนี้ใครเฉยๆมีพวกหนึ่งไม่ยกมือเช่นคนนี้คนนี้ปราศจากเวทนา <c oughs> ไม่มีเลยนะจิตทุกดวงต้องประกอบด้วยเวทนาเสมอนะเวทนาเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกทุกดวงดนะงนั้นถ้ามันไม่สุขมันก็ต้องทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ต้องเฉยๆเป็นอุเบกขา เนี่ยเวลาเราหัดทำกรรมฐานเราจะหัดเจริญสตินาะต่อไปจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆอยันนี้เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานทำสติปัฏฐานดูเห็นเวทนาตัวนี้มาตัวนี้ไปดูเพื่อให้เกิดสติก็จะเห็นเลย่มาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วสติจะเห็นอย่างนี้หรือถ้าคนไหนที่โกรธ เราก็เห็นดูความโกรธบ่อยๆเพราความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันเห็นความโกรธมันดับไปเดี๋ยวหงุดหงิดอีกแล้วรู้ทันมันก็ดับไปนีหักอย่างเนี้ยต่อมาพอใจมันหงุดหงิดปุ๊บไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกเองตรงที่ไม่เจตนาจะรู้สึกก็รู้สึกได้เองเนี่ยสติตัวจริงเกิดละถ้าสติตัวจริงเกิดปุ๊บเนี่ยสตินี่แหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตคุ้มครองยังไง ถ้าจิตกําลังชั่วอยู่พอสติเกิดเนี่ยความชั่วจะดับอัตโนมัติและขณะที่มีสติอยู่นี้จิตจะชั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นสตินะรักษาจิตให้พ้นจากความชั่วสติยังไม่ได้รักษาอย่างเดียวนะช่วยบำบุงด้วยนะเวลาทันทีที่สติเกิดเนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสติเกิดบ่อยๆกุศลเราก็ยิ่งงอกงามงั้นเราพยายามพัฒนานะถ้าเราไม่มีสติสตัวเดียวนี่ คุณงามความดีอะไรก็สร้างไม่ได้จําไว้เลยนะนั้นสติเป็นของสําคัญมากเลยหลวงปู่เทศครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงปู่เทศเทศรังสียท่านเคยสอนอยู่หินมะเป้งเลยคอนแก่นขึ้นไปเมื่อก่อนหลวงพ่อมาทางนี้บ่อยเลยนะขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ที่สี่เชียงใหม่หนองคายเป็นตอนเนี้ผ่ขอนแก่นเนี้ยประจําเลย โลวประเทศท่านสอนบอกว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติจาเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคนในโลกนี้น่าสงสารไม่มีสติตัวจริงมีแต่สติปลอมๆนะเช่นมาเขียนป้ายไว้ข้างขวดเหล้าดื่มสุราทำให้ขาดสติเห็นป้ายโธ่เอ้ยไม่ดื่มก็ไม่มีสติกว่าจะเกิดสติได้นะฝึกกันแทบตาย งั้นเราต้องหัดนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ได้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปก็ได้นะดูใจที่โลภขึ้นมาใจที่โกรธใจที่หลงหัดดูสภาวะไปแล้วสติจะเกิดเองเมื่อสติเกิดจิตได้รับความคุ้มครองรักษา จ, าจิตไม่ชัว่วเมื่อจิตไม่ชั่วจิตจะผิดศีลไม่ได้จิตที่ ที่ดีนะจะเกิดขึ้นมันจะไม่ผิดศีลดยอันตโนมัติการรักษาศีนจะเป็นเรื่องง่ายนะสําหรับคนที่มีสติการรักษาศีลเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนที่ขาดสติไม่ใช่ศีนตัวจริงเนี่ยาขาดสติแล้วบรักษาศีนเนี่ยไม่ใช่ศีนตัวจริงศีนเกิดจากจิตเกิดกับจิตที่เป็นกุศลนีนพอเราฝึกสติมากๆเข้านะเราใช้สติเนี่ยมาพัฒนาจิต ให้เกิดสมาธิสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเป็นพุโทโธอย่าครูบาอาจารย์วัดป่าเนะี่ยชอบสอนให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธนะหลวงตา ม, มหาบัวเคยพูดนะว่าท่านพุโทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยพุโทโธไม่ได้พุโทโธอย่างเดียวแบบนกแก้วนกขุนทองนะอย่างนั้นพุโทโธไม่เป็น พุทโธคืออะไรพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศัตรูของพุทโธคือจิตที่มันหลงไปคิดนึกปรุงแต่งนั่นเองจิตมันกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้าจิตเป็นพุทโธคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะทำให้จิตของเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอาศัยสติน่เองอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดจิตที่ฟุ้งซ่านมันฟุ้งไป หลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาไปห้ามมันก็ไม่ได้บางคนบอกโอ้ผมภาวนาตั้งนานแล้วจิตไม่มีสมาธิสัก ท, ทีถามว่าทำยังไงเนี่ยหายใจอย่างนี้มันจะมีสมาธิได้ไงมันไม่ได้มีความสุขเลยนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะแล้วเราอาศัยสติรู้ไปสบาย รู้อะไรรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละเมื่อไรใจไม่ฟุ้งซ่านวันนั้นใจก็มีสมาธิเพราะฟุ้งซ่านกับสมาธิมันตรงข้ามกันความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสแต่สมาธิที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดกับองค์ธรรมฝ่ายดีกับจิตฝ่ายดีสมาธิเนี่ยเป็นของแปลกเกิดกับจิตที่ชั่วก็ได้แต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตที่ดีเท่านั้นนันที่หลวงพ่อสอนเนี่ย คือสมาธิที่ดีจะเกิดจากจิตที่ดีนะไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาอย่างบางคนนั่งสมาธิแล้วก็เคลิมงอกแงกงอกแง ก, งกลืมเนือ้อลืมตัวไอ้นั้นสมาธิที่เลวนะเกิดจากจิตที่ขาดสตินะเกิดจากอกุอศลจิตนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่อะไรจิตมันหลอนเนานะส่วนสมาธิที่ดีนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะรู้เนื้อรู้ตัวมีสติกำกับอยู่นี่เราต้องมาฝึกนะวิธีฝึกก็คือ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยใช้พุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่คุ้นเคยแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเช่นเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่นะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปจิตก็ไม่หนีเพราะจิตที่หนีไปเป็นจิตอกุศลเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะทันทีที่สติเกิดโมหะก็ดับเพราะความฟุ้งซ่านดับสมาธิตัวจริงก็เกิด สมาธิที่ดีใจจะอยู่กันเด้อก็ตัวขึ้นมางั้นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะสมาธิตัวจริงหรือความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้นไม่ได้จงใจให้เกิดเลยนะมันเกิดเองแค่รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตมันเคลื่อนได้นะลองดูวันนี้มีพระมากมายหลวงพ่อไปเทศน์มาทั่วโลกแนละ้วไม่เคยเจอที่ไหนพระเยอะเท่านี้เลยเคนมากเขาตั้งองค์เดียวนี่มีหลายองค์ ลองดูสิดูองค์บนสุดก่อนแล้วลองย้ายมาดูข้างล่างมีเทวดาอยู่สององค์ลองมาดูเทวดารู้สึกไหมว่าใจเราเดี๋ยววิ่งไปที่พระข้างบนใช่ไหมเขาให้ดูเทวดาใจก็วิ่งลงมาข้างล่างนี่ใจเราวิ่งมาอยู่ที่โต๊ะหมู่เนี่ยขณะเนี้ใจของคนทั้งห้องนะเกือบทั้งหมดเลยวิ่งมาอยู่ที่โต๊ะนี้นึกออกไหมเ็นไม เอาใจมาไว้ที่จมูกตัวเองหายใจเรารู้สึกที่ปลายจมูกมาหรื อ, อยังบางคนก็มาแล้วแต่มาอยู่แวบเดียวหนี้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วนึก อ, ออกไหมต่อไปนี้ห้ามคิดให้นั่งเฉยๆห้ามคิดคิดหรื อ, อยังเห็นไหมมันคิดได้เองเวลาที่จิตมันคิดเนี่ยมันหนีไปคิดมันหลงทางใจ เมื่อกี้ไปดูพระจิตเราวิ่งมาที่พระเนี่ยหลงทางตาหลงไปดูเวลาฟังตั้งใจฟังลืมตัวเองเรียกหลงทางหูหลงไปทางหูเวลาคิดเนี่ยใจหลงไปในความคิดเนี่ยเป็นหลงทางใจหลงทางใจรือหลงคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเอาหลับตาทุกคนหลับตาแต่ห้ามหลับเลยนะให้หลับตาสังเกตไหมใจยังคิดได้ ใจยังหนีได้หไหมขนาดหลับตานะใจก็ยังหนีได้เพราะฉะนั้นใจหนีเที่ยวเนี่ยหนีทั้งลืมตาทั้งหลับตาเอาทุกคนลืมตาลืมตาให้โตกว่าปกติให้โตๆหน่อยทำไมต้องโตเพรหลวงพ่อบอกให้หลับตาปุ๊บบางคนฉวยโอกาสให้มันตื่นขึ้นมาสังเกตไหมใจมันหนีไปคิดได้เอง สั่งมันว่าอย่าคิดนะมันก็คิดต่อไปนี้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันถ้าใจหนีไปรู้ทันส่วนใหญ่หนีไปคิดถ้าไม่หนีไปคิดก็ตีไปจ้องอย่างเมื่อกี้ไปจ้องพระพุทธรูปคนไหนมาดูลมหายใจถ้าไม่หนีไปคิดก็ไปจ้องลมหายใจคนที่ดูท้องผองยุบถ้าไม่หนีไปคิดก็มาจ้องท้องเนี่ยใจมันจะคอยเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดับเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปคิดับเคลื่อนไปเพ่ง ให้รู้ทันใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาต่อไปสติจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นพอใจเคลื่อนปั๊บสติเกิดเองโดยอัตโนมัติสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยจิตใจจะอยู่กันเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะสั่งให้อยู่ไม่ได้ใจจะเคร่งเครียดจะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันรู้จริงมันตื่นจริงแต่มันไม่เบิกบานมันเคร่งเครียด นั้นจิตที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนเป็นจิตที่เป็นกุศลที่แท้จริงนะไม่เครียดถ้าเครียดเป็นอกุศลนล้วเราคอยรู้ทันจิตที่หนีไปอย่าไปห้ามถ้าห้ามคิดห้ามเพ่งห้ามน้นห้ามนี่จิตจะเครียดจิตจะเครียดสมาธิไม่เกิดหรอกต้องมีความสุขสมาธิดังนีเกิดดูสบายๆหายใจไปจิตหนีไปรู้ทันหายใจไปจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันรู้ไปสบายๆ ทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจิตก็จะตั้งมั่นนี่เป็นวิธีฝึกจากสติเนะี่ยขึ้นมาให้มีศีลให้มีสมาธินี้มาถึงบทเรียนสุดท้ายแล้วนะถ้าผ่านบทเรียนนี้จะได้โสดาแล้วนะออน่าสนใจนะทำไงให้เกิดปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นตัวรู้ความจริงของกายของใจรู้ความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา รู้ความจริงของจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราการจะรู้ความจริงนะก็คอยดูเอาไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาเป็นความคิดไม่ใช่ความจริงเราะั้นเราจะดูว่าจริงๆร่างกายเป็นยังไงเราก็อาศัยสติเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเหมือนที่เคยฝึกนั่นแหละนะแต่ว่าฝึกมาละเราผ่านการฝึกสมาธิมาลจิตเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราอาศัายจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมาเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะดูร่างกายเคลื่อนไหวดูร่างกายหยุดนิ่งหรืออาศัายจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ่ยดูความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะดูไปเรื่อยๆดูสบายๆหรืออาศัายจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะี่ยดูความโลภความโกรธความหลงนี่มันเกิดเกิดดับ นี่หัดดูสภาวะไปไม่ได้ฝึกให้นิ่งแต่ฝึกให้เห็นกายอย่างที่กายเป็นให้เห็นใจอย่างที่ใจเป็นขณะ น, นี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมถ้าใจเราเป็นคนดูนะเราจะรู้สึกเลยร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้การหายใจพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานนะเบื้องต้นเพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายเพื่อให้เกิดปัญญา วิธีทําสติปัฏฐานให้เกิดปัญญาเนี่ยจะต่างกับให้เกิดสติให้เกิดสติคือหัดรู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติเกิดเองเช่หนหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยแล้วสติเกิดเองเพอหายใจปุ๊บรู้สึกเองนะแต่วิธีให้ให้เกิดปัญญาเนี่ยเราจะต้องมีใจเป็นคนดูซะก่อนพอใจเป็นคนดูแล้วท่านจะสอนบอกว่าดูกราภิกสูทั้งหลายหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาว ท่านให้รู้การหายใจหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายเป็นคนหายใจออกยาวใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เนี่ยมันจะมีร่างกายแสดงไปหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่ง amientos, นอนกินอาหารจับถ่ายแสดงอะไรไปทั้งปันเลยใจเราเป็นคนดูเราจะดูอย่างนี้นะเราจะรู้สึกขึ้นมาเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายไม่ใช่ตัวเรารเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเท่านั้นเอง นี่มันจะค่อยๆถอนความเห็นผิดนะว่าร่างกายเป็นตัวเราได้และไอ้จิตที่เป็นคนดูเนี่ยประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดประเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้โอ้จิตนี้ก็เป็นอนัตตาจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เหมือนกันเจอเห็นทั้งกายทั้งจิตเนี่ยนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้นะหรือเราจะดูสุขทุกข์ก็ได้ท่านสอน ทีสุดทั้งหลายนะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้อะไรมีอามิตรก็รู้มีอามิตรมมหมายถึงมีเหยื่อล่อนะมีอารมณ์มาล่อนะให้เกิดความสุขเกิดความทุกข์มีอารมณ์มาลอก็ไดนะ้แบบไม่มีเหยือ่อลอกก็ไดนะ้อันนี้ละเอียดไปลืมซะหน้าตา ง, งงไปหมดแล้ว <laughs> เอาใหม่เอาง่ายๆนะเวลามีความสุขใจเราเป็นคนดู เราเห็นความสุขมันมาความสุขมันอยู่ความสุขมันก็ไปความสุขก like yes. ับจิตน่ะคนละอันกันความสุขมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูแล้วก็เห็นมีสติรู้ทันว่าความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูมีสติรู้ทันว่าความทุกข์ดับไปใจเป็นคนดูได้ฝึกอย่างนี้เราจะเกิดปัญญาจะรู้เลยสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นของแปลปลอมมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปจิตที่เป็นคนดูก็แปรปลวน เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวมาเป็นผู้เพ่งนะถ้าเราจะทําจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูจิตดูจิตเราดนะูท่านสอนอย่างนี้นะดูกราฟิกสูทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะท่านสอนให้ดูนะจิตมีราคะจิตมีราคะประโยคนี้ฟังให้ดีจิตมีราคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าราคะกับจิตน่ะคุณละอันกันนะเพราะจิตมันมีราคะ มันไม่ใช่ตัวจิตหรอกตัวราคาเราจะเห็นว่าราคากับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะราคะเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เที่ยงมันมาเองมันไปได้เองสั่งมันไม่ได้นะตัวจิตก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเนี่ยการเดินปัญญานะมีจิตที่เป็นคนดูนึ่นคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเกิดจากเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปโดยเฉพาะเคลื่อนไปคิตเนี่ยพอร like ู้ทันปุ๊บสมาธิถูกต้องเกิด สมาธิถูกต้องเกิดแล้วะมีสติระลึกรู้อยู่ในกายก็เห็นในกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ก็เห็นว่าความสุขความทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีสติระลึกรู้กุศลอกุศลลบหลดหลงอะไรพวกนี้ก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นไอ้ว่าไอ้ตัวคนดูคือตัวจิตเนี่ยก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยเพราะตัวจิตนั้นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนี่แสดงว่าไม่เที่ยง อย่าไปเป็นผู้รู้ตลอดย4บชั่วโมงนะผิดนะบางคนบอกรู้ตัวตลอดเวลาเลยเนี่ยมันรู้รู้แข็งกระด้างอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะงั้นอย่าไปรักษาตัวรู้เอาไว้ตัวรู้มีอยู่เพื่อสักว่าอาศัยเท่านั้นเองอาศัยมีตัวรู้ขึ้นมาก็อาศัยไปเห็นร่างกายไม่ใช่เรานะตัวรู้ไม่ใช่เรามีตัวรู้แล้วก็อาศัยตัวรู้เนี่ยไปเห็น ว่าความสุขทุกข์ไม่ใช่เราตัวรู้ก็ไม่ใช่เรามีตัวรู้แล้วก็อาศัยไปเห็นว่าดีชั่วทั้งหลายโลกหลดลงทั้งหลายไม่ใช่เราตัวรู้เองก็ไม่ใช่เราแล้ต้องดูอย่างนี้เรื่อยๆไปบางคนเห็นว่าทุกตัวนี้ไม่เที่ยงยกเว้นตัวรู้ทุกตัวเนี้เป็นทุกหมดเลยยกเว้นตัวรู้เป็นสุขเห็นว่าตัวรู้นี้แหละเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเมื่อสักหปีก่อนนะที่คนโจมตีหลวงพ่อเยอะๆนะ มีประเด็นนะที่พระมาโจมตีหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอนผิดนะว่าจิตจิตไม่เที่ยงว่าจิตต้องเที่ยงจิตไม่เที่ยงได้ยังไงถ้าจิตเที่ยงคือจิตเป็นนิจจังสุขขังอัตตานั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างร้ายแรงเลยนะเป็นมิจฉาทิฐิเลยถ้าเราเป็นสมาทิฏฐินะม่ใจะเห็นอย่างที่พระที่เจ้าสอน จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเลยเช่นจิตที่รู้ตัวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่หลงจิตที่หลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้ไ่เมันจะเปลี่ยนตลอดมันไม่ใช่จิตคงที่อมตะอยู่ถ้าเราภาวนานะมีสติละศีลเราดีขึ้นโดยรู้ทันกิเลสกิเลสขอม ง, งำจิตไม่ได้ศีลเกิดอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่าน ฟุง้งซ่านดับสมาธิเกิดอาศัยสติดูกายดูความสุขความทุกข์ดูความดีความชั่วที่หมุนเวียนอยูนะ่จิตเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าทั้งตัวรู้ทั้งสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อปัญญาแก่รอบแล้วอริยมรรคจะเกิดนะปัญญาอย่างนี้แก่รอบแล้วอริยมรรคจะเกิด เมื่อโสดาปติมัคเกิดนะจิตจะรู้ความจริงนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจิตจะรู้ปิ้งตรงนี้เลยอย่างเวลาที่เราหัดภาวนานะเราเห็นว่าความโกรธเกิดแล้วความโกรธ ด, ดับความโกรธเกิดแล้วความโกรธ ด, ดับทั้งชาติเลยหลายปีอไม่ใช่ทั้งชาตินะหลายปีเลยดูซ้ําอยู่แค่เนี้ยเห็นโกรธแล้วก็หายโกรธแล้วก็หายแต่เวลาที่ใจบรรลุมรนะุ่นมันปิ้งในภาพรวมมันไม่ใช่บรรลุมาแล้วเห็นว่าพอโกรธแล้วก็ดับ แต่มันจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดนะดับทั้งสิ้นจะเห็นอย่างนี้นั่เห็นภาพรวมเวลาเราเรียนเราเรียนจุดเล็กนิดเดียวนะแต่เวลาเราเข้าใจเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะเป็นความรู้รวบยอดของจิตนะเวลาที่เกิดอริยมรรคจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา<น>ะจะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโลบเกิดโลบดับโกรธเกิดโกรธ ด, ด, ด, ด, ด, ดับนด้นั่นอยู่ในขั้นที่ฝึกเอา ตรงที่ปัญญาจริงเกิดเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาถ้าเราทําตรงนี้ได้ก็ได้พระโสดานะได้โสดาบันรักษาศีลห้าแล้วก็ซ้อมหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาอย่างที่หลวงพ่อสอนแล้ววันหนึ่งคงจะได้บรรลุมรรคผลนะยกเว้นบางค น, นไม่อยากได้อย่างหมอเอสดเนี่ยที่เป็นคนจัดเนี่ย ว่เอาเอยากได้พุทธภูมิทำไมอยากได้พุทธภูมิสงสารสัตว์โลกสัตว์โลกตาแป๋วแป๋วตกทุกข์ได้ยากอยากไปสอนแต่สงสัยจะสอนสัตว์โลกกลุ่มนี้ไม่ทันนาะสุกหลวงพ่อตัดหน้าไปก่อน <c oughs> จิตออกนอกไหมเที่ยวไปหาเลยไหนหมอเอ็ดเห็น <c oughs> ไ, ไหมจิตมันหนีไปจิตมันหนีได้นะไปฝึกนะไปฝึกหัดดูหัดดูไป วันนี้เทศท่านี้พอแล้วส่งกันบ้านได้ขอโอกาสครูอาจารย์ครับคื อ, อผมปฏิบัติจากการฟังซีดีของหลวงพ่อมานะครับก็อยากจะสอบถามว่าตอนนี้สามารถทําวิปัสสนาได้หรื อ, อยังจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยครับจิตขนาดนี้ถึงฐานไหมอืมไม่แน่ใจครคือจิตนะตอนนี้มันออกนอกนะผม ควารู้สึกมันกระจายออกข้างนอกไปผมันเจ้าออกข้างนอกเจ้าออไปเมื่อจิตอย่างนี้จิตยังไม่มีสมาธิะสมาธิไม่รวมตัวครับสมาธิไม่รวมตัวขันไม่แยกครับจะไม่เดินนิพพานาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นสบายสบายเห็นกาก็ส่วนนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะมันแยกอของท่านมันแยกได้แล้วละ่ะมแต่มันแยกเป็นคราวมาเจอผมมันตื่นเต้นก็เลยแตกกระจายออกมาะ แล้วอย่างผมนี่ติดสมาธิมากไปหรือเปล่าครับติดเดียวนะควรทำยังไงก็พยายามดูร่างกายบ่อยๆนะเส้นไหวรู้สึกไปกวาดวัดไปอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูนะอย่าไปรักษาใจให้นิ่งนะพวกติดสมาธินะี่คือพวกรักษาใจให้คงที่ อ, อย่าไปรักษามันแล้วก็ดูไปเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุก เดี๋ยวใจเราก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวใจก็เป็นผู้คิดเนี่ยเมื่อเชียเป็นผู้คิดละแต่ตอนเนี้ยรู้สึกไหมห<อ>เป็นผู้คิดสลับแล้วเป็นผู้ดูนิ่งมาดูหลวงพอ่อเรารู้ทันใจอย่างนี้นะรู<อ>้ไปเรื่อยๆใจไม่ไปแช่นิ่งรักษาให้ดีอยู่ก็ไม่ติดสมาธิหรอกพวกติดสมาธิคือพวกติดดีอืจะติดดีต้องมีอะไรต้องแก้ไขไหมหายใจเรารู้สึกตัว<อ><อ>ความรู้สึกกลับเข้ามา แม้มันกระจายออกแล้วก็ถูกายดูใจดูถ้าดูขันทำงานมีพ อ, อกันบ้าลนวนไปดูงเงาสิอาตอบไปกลาบนวัสการค่ะหลวงพ่อคือฟุ้งค่ะแล้วก็ไหลา ย, ยาวค่ะก็ะต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะ ถ้ามันช่างชิดก็พามันชิดเลยชิดพุโทโธทำโมสังโฆอะไรก็ไปถ้าหนูทําบริกรรมสวดบทพุทธคุณอิติปิโสนี่จะก็ได้สวดไปเรื่อยๆแต่อย่าหวังสงบนะสวดไปเรื่อยๆอิติปิโสพระครวัลหังสัมมาสัมพุทโธสวดด้วยใจที่สบายสวดไปแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสงบก็รู้ต้องฝึกฝึกอย่างนี้อย่าไปมุ่งบังคับว่าต้องสงบถ้าต้องสงบเมื่อไหร่แล้วก็เครียดมานั้นไม่สงบหรอก นั้นเวลาเราทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งไม่ใช่ทำเพื่อสงบแต่ทำเพื่อรู้ทานจิตใจจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้จิตใจสงบก็รู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจิตหนักจิตเบารู้อย่างนี้ไปด้วยเดี๋ยวมันได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาคือเมื่อวานนี้พอดีว่าหนูตั้งใจจะรักษาศีล่างนี้ค่ะหลวงพ่อคือปกติเวลาที่โกรธเนี่ยให้คนรอบข้างเนี่ย จ ะ, จ, ะจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยดีทีนี้ช่วงนี้คือเมื่อวานกับวันเนี้ยคือเห็นความโกรธว่าเวลาโกรธแล้วเราออกทางกายคือน้อยลงแต่ว่าแต่ทางใจคือรู้สึกว่ามันยังขุนอยู่ข้างในแต่ว่ามันก็หายแต่ว่ามันประมาณสองสามชั่วโมงถึงหายค่ะสติสติสมาธิมันยังไม่พอนะแล้วอย่าไปคิดว่าภาวนาเพื่อจะไม่โกรธแต่เราภาวนานเพื่อจะเห็นว่าจิตจะโกรธเราก็ห้ามไม่ได้ ภานาเอาของสูงนะนเอาปัญญาที่ดูไปเลยมันจะโกรธมันก็โกรธของมันเองมันจะหายก็หายเองเราไม่ได้ดูว่าเมื่อไหร่จะหายนะพอดีว่าอยากจะขอภาวนากับหลวงพอ่อพอดีว่าเอหนูกําลังตั้งครรภ์ น, นะคะก็เลยทํารูปแบบก็น้อยก็เลยอยากจะขอภาวนาจะทํารูปแบบไปจนถึงหลังคลอดค่ะใช่หลังคลอดเหรอทําไมไม่ขอตลอดชีวิต กลัวขอยาวกว่านี้กลัวเสียสัจจะค่ะหลวงพ่อ mm ก็เลยขอสามเดือนก่อนค่ะออ้าสามเดือนอนุโมทนาน a m ส s k ร r d h พ m m u p a r a m I want to say thank you to you and to Jesse for the English books and the CD. Every time I listen, I gain a new understanding and Uh, deeper knowledge from your เขาบอกว่าเขาอยากจะขอกราบ mm. ขอพระคุณหลวงพ่อ mm. กับคุณเจค่ะที่ช่วยแปลหนังสือ mm. ที่เขาฟังเออเรื่องเออเวลาที่เขาฟังทุกครั้งเขาเกิดความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจิตเขาตั้งมั่นมากขึ้นแล้วล่ะ mm. มันไม่ใช่เป็นสมาธิแบบเขาออกข้างนอกจิตใจนั้นกลับเข้าตัวพย่ยามรู้สึกไม่บังคับในนี้บังคับมากไป ให้ยิ้มหวานๆทียิ้มโอเคโอเคยิ้มอย่างนี้ใช้ได้มันไม่ได้ยิ้มแต่ปากนะใจมันคลายออกเนี่ยใจต้องคลายอย่างนี้นะใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยใจเราคลายออกแล้วนะเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยสังเกตไหมร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันไม่จะเห็นเลยนะกายกับใจคนละอันความสุขความทุกข์ความดีความชั่วกับใจก็คนละอันกันอย่างนี้เรียกว่าแยกขันได้ฝรั่งนี่แยกขันได้แล้ว I have two questions. In November in Chiang Rai, you told me I watch my mind too closely when I do tamati and meditate. So my question is: How am I doing now? Is my mind more relaxed? Okay. And my next question is: uh, My wife is pregnant six months, and I want to find out. Uh, from our you, like, what the good to Buddhist values like child? is the teach what เขาอยากขอคำแนะนำกับหลวงพ่อเพราะว่าตอนนี้ภรรยาเขาตั้งครรภ์หเดือนแล้วก็คืออยากจะทราบว่าออมีวิธีอะไรที่จะสอนลูกให้เป็นชาวพุทธที่ดีนะ เ, เราทำให้ดูสิเรามีศีลนะเราฝึกสมาธิเราฝึกเจริญปัญญา แล้วก็เปิดซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเด็กก็พาวนาเป็น I want to say also that we will do meditation every day and send boon to you and to our family. Thank you for the pregnancy. Thank you. <laughs> อะทับไนเขาบอกว่าเขาจะขอภาวนาเหมือนกันค่ะก็คือทำในรูปแบบถึงหลังคอดค่ะดี การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูขอขมาหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าเองจิตใจมันว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะใช่ไหมสิ <c oughs> จิตใจมันว่ามันก็บาปของมันเองเราไม่เกี่ยวเอ <c oughs> <c oughs> หนูจะส่งกันบ้านค่ะคืองานที่หนูทําเนี่ยไม่ค่อยกระทบกับคนมากหนูก็เลยพ่องพุทโธ Mm hmm. แล้วก็เผลอไปคิดแล้วก็พูดโท mm hmm. แต่ว่าหนูไม่เห็นเวลาที่มันไหลไหลเข้าเข้าไปเหมือนเหมือนเหมือนบางครั้งที่หนูเห็นว่ามันไหลไปเกาะที่ต้นไม้ mm hmm. ไหลไปเกาะที่โน่นที่นี่อย่างเ mm hmm. งี้ยนะคฝึกไปให้สบายใจนะต้องฝึกแบบสบายใจมีความสุขรู้เนะื้อรู้ตัวสบายๆอย่าฝึกให้มันเครียดนะฝึกแบบสบายมีความสุขหายใจไปมีความสุขไป mm hmm. สบายตอนนี้ตื่นเต้นทาไม่ได้เจ้าคับต้องระมัดระวังนะอย่าให้จิตมันกระเจิงกระเจิงนะค่ะหนูอยู่กับตัวค่ะตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วจิตมันหนีไปมันแตกกระจายไปตัวที่จะสมานให้จิตเข้ามารวมได้ง่ายก็ลมเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจอยู่ข้างนอกนี่ ความรู้สึกตัวจับลมแล้วหายใจเอาความรู้สึกตัวเข้ามานี่แค่นี้ยพอละอย่ามากกว่านี้นะรู้สึกไมให้มันเข้ามาครั้งแรกที่หนูทําตามที่หลวพ่อบอกอะคะ่ะเออนั่นแหละจะไม่ดื้อ น, นะแป๊บเดียวก็เป็นบางคนมันดื้อ น, นะสอนให้ทําอย่างนี้ยันเอาอย่างงั้นก็ตอนแรกที่หนูพบกับคุณมาลีคุณมาลีบอหนูเริ่ ม, เ ร, มเริ่มไม่เห็นอ่ใจที่มันโกรธมันอะไรแต่หนูจะเห็นถือไปคิดบ่อยะะอ่ะค่ะคุณมาลีก็ได้บอกว่า ให้ให้ไปดูกายหนูก็นั่งงุ้งตั้งนานทำยังไงเนะาะจะดูกายได้ตัวเองก็ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิมไม่ได้เจ้าค่ะวันหนึ่งเปิดซีดีของหลวงพ่อตอนขับรถอยู่จู่ๆก็เห็นว่าหน้ามันยิ้มเจ้าค่ะแต่ว่าใจตรงตรงกลางอกมันจะโล่งๆแต่ว่าหน้า ม, มันยิ้มอะตลอะนะเราก็ไม่รักษามันมไม่รักษาอะไรสักอย่างเดียวนะกายเป็นยังไงก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้เราจะรู้ทุกอย่างนะด้วยใจที่โปร่งโล่งเบาสบาย เจ้ค่ะหนูมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไมคะเจ้ค่ะถ้าอยู่กับโลกได้ก็ให้อยู่กับโลกเยอะๆหน่อยนะอย่าไปหนีโลกเข้าไปนะล้วหลบไปเรื่อยๆมันจะติดว่างๆไปพลืนๆลนออกมากระทบอะไรก็จะเ้าร้อนว่าหนูยังไม่เห็นตัวชอบเลยทจ้ค่ะแต่ว่าหนูเริ่มจะเห็นแล้วว่าความคิดที่เป็นกิเลสกับ ตัวที่ไม่ชอบกิเลสมันเป็นคนละตัวกันค่อยๆแยกไปค่ะอบค่ะไม่จบเลยอีกนิดนึงนะคะคือคือหนูไม่สบายนะเจ้ค่ะก็เลยไปหาหมอสแกนสมองทุกอย่างเลยเจ้ค่ะมองหาสาเหตุไม่เจอต้องทำยังไงโอ้ทำใจอย่างน้อยนะร่างกายไม่สบายใจสบายก็แล้วกันัจ้ค่ะก็ คงต้องเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะใจสบายบางทีก็หายนะ oun, ใจสบายว่าหายป่วยอืเราต้องแผ่เมตตา ม, มากขึ้นไหมคะเดีย๋ยไปกังวลสิเห็นไหมใจกังวลไม่เห็นเจ้าค่ะใจมันกังวลใจมันเศร้าหมองมันเคร่งเครียดเนี่ยให้ทู้ทันหัดรู้ไปจเจริญเมตตาไปก็ได้บริกรรมไปได้ๆคอย่างน้อยได้สมาธิได้สมาธิใจสงบใจสบายมีความสุขนะ บางทีก็หายเครียดได้แต่ว่าเวลาที่หนูท่องฟุ้ะแล้วสังเคียเอาแม้ใจฟุ้งซ่านมันกระโจนกระโจนไปคิดอุตรลุ่ยเลยอืมไปดูกายไว้ค่ะนะไม่ต้องคิดมากนะค่ะดูกายไปเรื่อยๆหนูดูจิตไม่ได้ดูกายเอาตอนตอนที่หนูเริ่มดูกายนี้หนูรู้สว่าให้ตัวอะไรมันขยับเนี่ย ใช่้ิค่ะใช่สิค่ ะ, ะ, คะแค่แค่รู้สึกนะไม่แต่ไม่ทําใจทือท่อๆนะอย่างนี้ไม่ได้นะ่คะเอเห็นน้ำยิ้มอีกเลยเห็นน้ายิ้มแต่ไม่ใช่ใจทื่อๆอยู่ใชใจก็ทื่อๆอย่างนี้ไม่ได้นะผิดน ะ, ะ, ะใจมันต้องยิ้มหน้ามันยิ้มใจมันต้องยิ้มจริงๆใช่ค่ ะ, ะ, ะให้คนอื่นบ้าง มาสักการค่ะหลวงพ่อมือใหม่ค่ะฟังซีดีมาหกเดือนค่ะเออฟังซีดีหกเดือนทําได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วใจได้ใช่ไหมคะใช้ได้ขอคําแนะนําค่ะใจไม่เข้าบ้านใช่ดูออกใช่ไหมนั่นแหละใช้ได้แล้วตื่นเต้นมากค่ะส่มการบ้านครั้งแรกค่ะใช้ได้นะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วใจไม่เข้าฐานตรงที่จิตเข้าฐานเนี่ยสําคัญมากเลยมันเป็นแทบหลวงพ่อแทบจะบอกว่ามันเป็นตัวแตกหักเลย ถ้าใจไม่ถึงฐานสมาธิไม่พอปัญญาไม่เกิดออกสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิที่ดีนะสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุ ใ, ใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดแต่ส่วนใหญ่ไปทำมิจฉาสมาธินะปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันด้นเรารู้ทันใจกระจาจเรารู้ตอนนี้กดมากไปกดแล้อึดนะอัดให้คนอื่น ค่ะนิทรรศการหลวงพ่อเจ้าค่ะมือใหม่เหมือนกันค่ะฟังซีดีแล้วก็แต่ว่ามันจะมีเรื่องที่แบบในอดีตหรือเรื่องที่แบบเป็นเราเรากังวลเรื่องในอดีตกังวลเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอย่างเช่นถ้าอดีตเนี่ยที่ผ่านมาที่ว่าเราเคยทําผิดพลาดหรือว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีไว้มันก็จะตามตามเรามาอยู่ตอลอดแล้วจบไปแล้วอย่าไปคิดถึงในอดีตเนี่ยเคยทําอะไรดีๆบ้างเปล่า เคยทำเจ้าค่ะทำไมไม่คิดตรงนี้นะดีก็เคยทำที่ไม่ค่อยดีท yeah? ี <card> ่ไ <pantry> ม่ดีเลยก็มีเจ้าค่ะที่ไม่ดีนะเคยทำไปแล้วนะนึกขึ้นมาก็แค่ตั้งใจว่าไม่ทำอีกส่วนไอ้ที่ทำดีให้คิดบ่อยๆอย่างเช่นเราให้เงินขอทานหนึ่งบาทคิดมันทั้งวันเลยเท่ากับให้ทั้งวันเลยนะจิตมันขึ้นวิถีที่เป็นกุศลบ่อยๆเรื่องอะไรไปคิดเรื่องเศร้าหมองเจ้าค่ะนะทิ้งมันไป แม้ <c oughs> อดีต <c oughs> ไม่ดีก็เรื่องของอดีตเราเอาปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเจ้าค่ะกล่าวขอบคุณเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อครับผมเข้าม <c oughs> ือใหม่เหมือนกันครับใอชุนยกมือสิพ่อสงสัยมือใหม่มันเป็นอยางไง ครับดูมันก็เก่าๆน่ามา <c oughs> ก็คอยรู้คอยดูครับเอาพุโทโธ<อ>แต่พอพุโทโธไปปั๊บมันก็เดี๋ยวมันก็ไปคิดเดี๋ยวมันก็กลับมาพุโทโธตอนานนะอย่าให้มันเ ค, <ผม S 1> ครียดจริงจังไปผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะเป็นเพ่งหรือเปล่าเป็นเป็ น, ปนจริงจังไปแล้ววันนั้นผมนั่งฟังซีดีหลวงพ่อครับอืมเ อ, อมีความรู้สึกเหมือนกายมันมันพึบ พิ่ไปแล้วมันเหมือนมันไม่มีอะไรมันเหมือนอะไรไม่รู้นั่งอยู่แล้วมีความรู้สึกอยู่ที่หน้าอกครออับออไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงครับขันมันแยกนะมันเหนในรูปส่วนรูปนะจิตส่วนจิตนะครับแต่มันรู้สึกแค่แป๊แบเดียวครับเวลาที่อริยมรรคเกิดเนะี่ยจะเกิดขณะจิตเดียวครับเพราะงั้นเวลาที่เราภาวนานแล้วเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกแป๊บเดียวเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องรู้สึกเยอะหรอกรนะถ้ารู้สึกตลอดเวลานะี่ยไม่ถูกหรอก แล้วผมฟังซีดีมาได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกอยากจะบวชะครับอย่าไปบวชนะครับขอความเมตตาอย่าอย่าไปบวชเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่ออยู่ที่รรบ้านเมตเ์หลวงพ่อบอกเลยอย่าเพิ่งบวชนะบวชไม่นานโทรศัมัจะมาขอบคุณก็ขอการบ้านภาวนาไปนะภานาไปอย่าเยี่ยมเกลียมกับตัวเองด้วยนะให้เมตตากับตัวเอง จเจริญเมตตาครับร่างกายจิตใจนี้เรื่อยๆแลใจมันอ่อนโยนกับตัวเองแล้วการพรวนามจะนุ่มนวลขึ้นอันนี้มันดูไปดูๆอย่างเงี้ยไม่กล้ารับไว้ในวัน ด, ดันจะก็ติอยู <laughs> ่นี่มาสการกับกอบการกับวัดหลวงพ่อเนี่ยนะพระเข้ามาในวัดนี้ยากที่สุดเลยแต่ออกง่ายมากเลยแรกๆผมก็ ดูจิตนะครับก็รู้สึกว่ารู้ทันได้ดีดีแล้วก็สบายรู้สึกว่ารู้เนื้อรู้ตัวครับมทาทั่งมีครั้งหนึ่งจิตได้รวมแล้วก็อาการกับน้องเมื่อกี้นี่นะครับนี่ผมก็อยากเป็นอีกเพื่อให้เกิดความโล่งก็ <c oughs> เลยมันกับว่าตอนนี้มันไม่เป็นปัดครับแน่นแล้วก็ผมก็พยายามรู้ไปมันก็ไม่หายคเลยแก้ด้วยการพยายามมารู้ที่กายบ้างครับเออได้เดินกายกวาดบ้านทูบบ้านขยับมืออะไรแบบนี้ครับที่ทราบผมจะต้องทําอะไรอครับ ถอนใจเป็นไหมอถอนใจสักบ้างมันจะคลายออกน ะ, ะคือคกลไกธรรมชาติเนี่ยมันช่วยเราอยู่แล้วเวลาเรามีความทุกข์เวลาเรามีความเครียดนะาย ใ, ใจแดงๆนี่มันจะหายพอใจมันคลายออกแล้วก็ดูไปสบายๆไอ้ที่จะอยู่ๆไปนั่งแก้นะเหนื่อ ย, อยไปแก้มันเลยแบบช่างมัน รู้สึกเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ง่ายกว่าที่จะตั้งแก้งั้นถ้าใจมันไปล็อกนิ่งๆทื่อๆแล้วนาะไม่ต้องไปคิดแก้กันหรอกลืมมันไ ป, ไปรู้สึกเอาใหม่จิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตดวงทื่อๆก็ส่วนหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ทําดวงใหม่รู้สึกตัวสบายๆยิ้มก่อนยิ้มก่อนเห็นไหมใจอย่างนี้ใจเริ่มคลายออกแล้วรู้สึกไหมครับผมก็ หยิบซะบ้างนะไปฝึกแป๊กใช้ได้นะไม่รู้คันมันพอจะแยกได้ไหมครับแยกแยกพอได้อยู่ใช่ไมได้ครับ ใ, ใช้ได้นะเรียงแถวมาเนี้ยใช้ได้กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคื อ, อส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครั้งล่าสุดคือหนึ่งปีก่อนนะคะก็คือประมาณมกราปีธีแล้วแล้วก็ ไปไปอยู่ที่ที่อื่นมาค่ะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เพิ่งกลับมาก็คือช่วงช่วงหลังๆที่อยู่เนี่ยคือเดี๋ยวรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยได้ภาวนาค่ะมันเหมือนมันมันค่อยๆค่อยๆสั่งๆอะคะ่ะ mm. เหมือนมันติดโลกเยอะอะคะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะติดโลกก็อยู่กับโลกไปเดี๋ยวก็ทุกข์เองอะทุกคนที่ใจก็นึกถึงโอ๊ย รู้อย่างนี้ปฏิบัติดีกว่าค่ๆฝึ็ทุกวันรักษาวินัยไว้เท่านั้นแนะแบ่งเวลาไว้ขอวันหนึ่งสิบ้านาทีทําให้ได้ทุกวันถ้าเราทําได้สักสามเดือนต่อกันนะใจเราจะเปลี่ยนนะใจมันจะมีความเข้มแข็งมันจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นงั้นอาวันหนึ่งสิบห้านาทีนะแล้วเราดูสิสามเดือนเราก็เปลี่ยนนะใจเราจะเข้มแข็งกว่านี้เยอะเลย กับนบมัสการหลวงพ่อค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมา6ประมาณ6เดือนแล้วก็กัลายาณมิตรชวนไปที่บ้านสติที่ชนบุรีค่ะแล้วก็ส่งการบ้านหลวงพ่อหลว ง, งพ่อบอกว่าให้รักษาศีลค่ะออตอนคือพอพอกลับมาแล้วก็มารักษาศีลแล้วคราวนี้มันมืนกับว่ามันเข้าใจว่าจริงๆแล้วศีลห้ามันมันเหลืออยู่แค่สมข้อนั่นคือการรักษากายวาจาแล้วก็ใจ ค่ะแล้วคันนี้พอเราเรากายกายวาจาสนใจนี่มันไปเห็นว่าเออมันกับว่ามันอยากจะทําความดีตลอดนะคะหาแล้วครันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าพอมามันเหมือนแบบหลวงพ่อว่าให้ให้ดูใช่ไหมคะไม่ต้องเข้าไปีย๋ย่ไปแทรกใช่ไปแทรกแซงคือก็เลยมาเข้าใจว่าโอ้ที่ผ่านมานี่คือเราพยายามที่จะทําให้มันแบบดีตลอดแล้วพอพ อ, พอมาเข้าใจแบบนี้มันก็เลยเหมือนแบบ โล่งว่างนะคะคือ<ม>เราต้องเข้าไปดูเฉยๆสิเราเข้าไปเป็นทาไมอะไรเงี้ยมันบอกตัวเองเออถูกค่ะแล้วไงอ่ะแล้วมันก็แบบว่าเหมือนกับบางครั้งมันก็แว บ, บขึ้นมาเองว่าอ๋อแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็ดับไปเเป็นธรรมดาเองมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดามคือแบบ เวลาไปทำงานเห็นเพื่อนเห็นเห็นเพื่อนๆในที่ทำงานอะค่ะต้องไปดูอีกนะมันยังไม่พอใจมันไม่ได้เห็นว่าเป็นธรรมดามันไม่ได้เห็นจริงยังไม่พอแสดงว่าคิดเอาเองเหรอคะเอออย่างคิดนาไปหน่อยปัญญามันล้าไปนะที่สภาวะอันเนี้ยถือถ้าปัญญามันเดินผู้กับจิตไปกับสมาธิไปนะมันก็จะขาดนีปัญญามันจะล้าไปมันสรุปเอาเองอืค่ะ แสดงว่าหนูต้องไปไปดูจิตอีไปดูดูไปสบายๆดูไปเ่ไดะไม่ต้องวิพาควิจารณ์อะไรเยอะมองหนูปัญญาล้ําไปนิดนึงสมาทธิมันอ่อนไปรู้สึกไหมใจมันฟุ้งเก่งค่ะฟุ้งเก่งค่ะมันไม่สมดุลกันศีลสมาธิปัญญาก็ต้องสมดุลนะค่ะตัดไปเสื้อสีน้ำเงินเครียดจะตายแล้วอะ รู้ง si ี like> ้ไม่จับฉลากหรอกคือปฏิบัติมาสี่ปีแล้วค่ะหลวงพ่อแต่ไม่เคยส่งกันบ้านใช่ได้นะใช่ได้ที่ทำอยู่อธิบายสภาวะอะไรไม่ค่อยถูกค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเขาทำถูกดูสิหลักขันมันแยกได้หมดทุกตัวเนาะร่างกายก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกไปจิต อย่างนี้แรงไปอย่างนี้จงใจใจจะทื่อๆต้องดูสบายๆเหมือนตะกี้เนี้ยไม่จงใจยิ้มหวานถอนใจแรงๆทีเออต้องอย่างนั้นรู้สึกไหมรู้สึกว่าความสุขความทุกข์มันสั้นลงทั้งสองอย่างเร า, เราก็ไม่ให้ความรู้สึกใน เราปฏิบัติธรรมนะบาทีมันมีความรู้สึกมาครอบงําจิตได้นะเช่นความสลดสังเวชนี่ยะความสลดสังเวชเกิดขึ้นแล้วก็ดีแล้วแต่ว่าอย่าให้ครอบงําตอนนี้ถูกความสลดสังเวชครอบงําจิตดูออกไหมไม่ไม่ชัดเจนคะรัรู้ทันว่าสลดไหมสังเจนไหมใจมันหมองไปด้วยค่ะถ้าใจหมองไปด้วยเนี่ใจถูกความสลดสังเวชครอบงํานะจิตดวงนี้เป็นโทสะมูลจิตไปแล้ว เป็นจิตเศร้าโหม่ให้เรารู้ทันใจสลดสังเวชในเห็นในโลกนี้ไร้สาระนะ ใ, ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาลไม่ถูกมันครอบงำเพราะฉะั้นบางคนก็ถูกปิติครอบงำบางคนถูกความสลดสังเวชครอบงำรานาแล้วมีปิติก็ถูกปิติครอบหรือพานาแล้วสลดสังเวชถูกความสลดสังเวชครอบไม่ดีทั้งคู่เลยนะให้รู้ทันใจจะได้เป็นอิสระขึ้นมา อ๋อต่อไปจบยังถามหลวงพ่อว่ามีอะไรที่หนูทำผิดไปหรือว่ามีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมให้รู้เท่านั้นแหละให้รู้ทันใจอย่าให้ถูกความรู้สึกครับก อ, อื่นก็ขอถวายการปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อ<น>ที่นี้ส่งการบ้านเมื่อที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูกายตลอดชีวิตก็ลองไปทาดู ไม่ไม่ใช่ลองแหละค่ะทำจริงๆเพราะว่าต้องการหวังสูงหวังออกจากผังผังมัดตัดไปก็เอาพุทโธเป็นเครื่องอยู่ออพอพุทโธเป็นเครื่องอยู่เราก็ดูกายดูอะไร เ, ออเคลื่อนไหวออพอสักพักหนึ่งก็ดูเวทนา เ, ออเวทนาสุดท้ายแตกหักรู้สึกว่าตอนนี้จะนิ่งไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้เคลื่อนไหวอะไรไม <พอ S 1> ่เคลื่อน ร่างกายค่ะดูดูเวทนาปรากฏว่าใจตัวหนึ่งมันจะบอกว่าหยุดหยุดเคลื่อนไหวได้แล้วเดี๋ยวเป็นฤาษีนะจิตหนึ่งมาอีกจะเห็นจิตว่ามันมันมันมัน ม, นมากมายเหงื่อก็ออกพักพักพักที่ดู ก, กายน ะ, <c oughs> ะเพื่อวันหนึ่งจะมาเห็นจิตค่ะนั่นเราดูกายไปด้วยอายุเยอะขึ้นเนี่ยอยู่ๆไปดูจิตมางทีดูแล้วหลับไปเลยค่ะเราเอากายมาช่วยร่างกายกรุกิกไปเรื่อยนะ พอจิตมันมีกำลังแล้วมันเห็นจิตทำงานค่ะอย่างนี้เรียกว่าดูถูกแล้วแล้วทีนี้พอมันมันจิตแต่ละจิตก็จะเห็นว่ามันมันไม่มีดวงเดียวความรู้สึกมันก็จะต่างกันภาวนาก็มากจิตตัวหนึ่งก็บอกว่ามามามาเคลื่อนไหวเหมือนเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่จิตตัวหนึ่งก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วชาติพบพอแล้วพอปรากฏว่าจิตตัวหนึ่งก็จะดูว่า จิตตัวหนึ่งก็จะล้างไว้ล้างความเจ็บปวดไว้ปล่อยปลอยปล่อยปล่อยเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนจิตตัวหนึ่งก็บอกว่าหยุดหยุดไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเคลื่อนไหวออประมาณนี้แล้วค่ะให้เรา ร, รู้รทันเลยว่าจิตมันทะเลาะกันะทะเลาะกัน uh huh. แล้วจากนั้นมันมันจิตจิตตัวรู้มันก็จะคลายว่าเออเราเราจะมีความรู้สึกว่าเอา้ามันอยากปวดก็ปวดไปแต่ว่ า, วามันไม่ใช่เราสักตัวเดียวเลยมันทํางานได้เองทุกตัวเลยถูกไหม งั้นที่เรามาภาวนานะเรามาภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์อย่างนี้นเราเห็นอ น, นัตตาอันนึงเราเห็นอ น, นิจจังแนละ้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันหนึงเห็นอ น, น, นัตตาคือมันทํางานได้เองเราภาวนาไปจนเราก็รู้ความจริงแนะล้วกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เรามีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีเราสักอันนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยแต่แต่หลังพอพออากดูดูด เห็นเวทนาแต่ว่ามันอยู่ไกลๆค่ะแต่ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขาดกันแล้วก็ใจมันจะจะเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนอะไรมันโด่งงปุ๊เราแค่เห็นนะกายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งนะเราไม่ได้พาวนาเพื่อให้หายจากเวทนาเราไม่ได้เพื่อละเห็นเห็นอยู่ค่ะแต่ว่ามันไกลมันแค่มายอมจิตไม่ได้แต่ว่าพอเวทนาเกิดขึ้นจิตก็มีสังขารปลุงถ้าปรุงเช่นหนีเถอาอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วก็รู้ทันว่าจิตฝุกงซ่านรู้ทันเข้าไปเลยแต่พอจิตนิ่งนิ่งจนจนจนนิ่งหูจะได้ยินหลวงพ่อพูดว่าสมาธิของลือสีพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรสเสริญโอ้ถูกก็จะ ก, ก็จะเคลื่อนไหวแล้วก็ก็จะอย่างนี้ค so ่ะอย่ายให้มุ่งนค่ะไม่ไม่ไม่นานค่ะน้ำนิ่งน้ำก็เ น, น่าเน้ะ <Voilà S 2> จะกลื่อนก็มีแค่นี้แหละครับหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําต่อยีงค่ะอย่าใจร้อนนะอย่าเอาเร็วถ้าอยากเร็วจะช้าใกล้ๆเราถือว่าเราปฏิบัติบูบชาพระเจ้าได้แค่ไหนก็ช่างมันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอานะเราภาวนาไปสบายๆกราบขอโอกาสครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ ตามปฏิบัติก็คือเห็นเกิดดับถี่ขึ้นครับอะไรนะเกิดดับถี่ขึ้นครับแต่ความไม่เ ป, ป็นตาง้อใจเหมัอนสิใช่ครับ <c oughs> มันมันยังเห็นแป๊บเดียวมัาก็เข้าไปแทกแซงอย <c oughs> ู่แล้วอย่าไปต้อแต้ตอแต้นะดูไปสบายสบาย <c oughs> ดูไปอย่างนี้ความสุขเราไม่ได้พาณาเอาอะไรนะภาวนาจนเราเห็นเลทุกอย่างมันเป็นไปเองทุกอย่างมันไม่เที่ยงครับดูไปสบายสบาย ถ้ามีปัญหาอะไรที่มันคือมันเข้าไปหลงก็คือที่ตัวนั้นตอนนั้นตอนนั้นคิดกับมันเยอะคือจิตผู้รู้ครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วครับตมดยุ่งกับมันนะครับยุ่งกับตัวผู้รู้เราติดตัวผู้รู้แก่ยากเกือบไปครับเกือบดีหลวงพ่อไม่เคยเกือบอะเอาจริงเลยนะแก้เป็นปีเลยจับตัวผู้รู้ไว้แล้วตั้งแต่นั้นนะพอเริ่มนั่งสมาธิปุ๊บจับตุ๊บเลยนิ่งเลย อยู่อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะแก้เป็นปีเลย อ, อย่าไปแค้นพระองคหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะชื่อหลวงพ่อคืนหนะลวงพ่อคืนตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยม ย, ยังนมน ม, นมอยู่เลยไปภวนาวัดท่านท่านเื่อเห็นเราดูจิตเกิดดับนะแต่ท่านไม่บอกว่าจิตเราถล่มลงไปนะให้ถอยออกมาเป็นคนดูนะท่านไม่พูดประโยชน์อย่างเนี้บเฮ้ยประโมดไปดูอะไรมันไม่ใช่จิต เด้นพูดอย่างนี้นะที่ดูเห็นมันเกิดดับเนะ่ไปดูอะไรมันไม่ใช่จิตแทนที่จะบอกว่าจิตถลำไปดูบอกมันไม่ใช่จิตอ๋อไอคนดูนี่คือจิตจ้องเลยได้ไม้ตายแล้วคืนนี้จะภาวนาอยู่วัดท่านตกข้ามปิดประตูปุตลยดูตัวผู้รู้่ดูไปดูไปนาะเฮ้ยผิดไหมวะกลายเป็นเพ่งจิตเพ่งจิตนะโกรท่านเลยนะน้อยเราภาวนาของเราดีๆนะ มาพูดซะเราพรานาผิดเลยครั บ, รบพอเช้าเมื่ออกมานะเปิดประตูกุฏิท่านะให้อยู่กุฏิปิดกับกุฏิท่านถ้าเปิดประตูมาจะจะเอยกันพอดีเลยเราก็โมโหมากเลยจะไปต่อว่าขาประตูป้งท่านก็ป้งออกมาพร้อมๆเราเลยนะแล้วชี้หน้าเราก่อนเลยพรานาอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเราจะไปเล่นท่านนะ <c oughs> ท่านโอ้ท่านเล่นก่อนเลยพราวนาอะไรงั้นอ่ะ อ้าวคุณหลวงพ่อแหละสอนให้ผมมาจับผู้รู้ใครบอกไม่ได้สอนอย่างนั้นซะหน่อยจะไปเล่นงานท่านอ่ะท่านจิตท่านก็ไวนะท่านรีบเล่นเราก่อนโอ้ยแก่เป็นปีเลย จ, จับตัวผู้รู้ได้แก่ยากแสดงว่าที่ผมไปนี่คือถลาบไปแล้วแล้วดีก็้นแล้วใช่ไหมครัดีขึ้นแล้วถูกครับดีอยู่หน่อยหนึ่งดูออกป่าวขณะเนี้ยทื่อๆอยู่แต่ว่าอาจจะเพราะตื่นเต้นตื่นเต้นครับใช่ ขอตับครับงานนมัสการหลวงพ่อครับต่อจากนี้ไปท่าผู้ผู้ที่มาฟังธรรมทุกท่านก็จะกล่าวคำถวายทานพร้อมกันนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจระลึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันมานะครับในวันนี้แล้วก็ทำจิตให้สนุกเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญข้าพเจ้าทั้งหลาย อ๋อน้อมถวาย ยะถ า, าวาริวาาปูราปริปูเรนติสาคลางังเอวะเมวะิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปิตังทุมหังขิปเมวาสมิจฉุสัเพปูเรนตุสังกปา จันโธปนรสโอยธถามณิโชติระโอยาถาพปีติโยวิวัชันตุสพรโรโควินสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิตจังุทธาปจายโนจตารโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังไปปฏิบัตินะ ปฏิบัติธรรมธรรมะจะได้รักษาเรารักษาเราให้พ้นจากความชั่วรักษาเราให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะทั้งที่นั่งอยู่แล้วทั้งที่อยู่ในท้อง